ชื่อว่าการมวิตกที่ปรารบความสุขในการเสวยราชสมบัติอยู่ในปราสาสตร์มีนางนักฟ้อนนักสนมกำนันหรือปรารบสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เคยเกิดขึ้นเลยแปลว่าไม่เคยหวนคิดถึงความหลังเลยนะไม่ไม่เคยคิดแบบนั้นเลยก็พระโพธิสัตว์นั้นถึงการสมาทานอันยิ่งยวดพระองค์ก็อดพระกาหารในการบำเพ็ญทุกกิริยา พระองค์ก็ดำริว่าบุคคลอดอาหารก็ไม่อาจเพื่อจะยังคุณนะวิเศษให้เกิดขึ้นได้อย่าเลยเราพึงนําอาหารหยาบมาเสวยพระโพธิสัตว์นั้นเสด็จเข้าสู่ตำบลอุรุเวลาเพื่อก้อนข้าวก็คือเพื่อบินธบาล น, น, นะมนุษย์ทั้งหลายก็คิดว่าในการก่อนพระหมหาบุรุษไม่ทรงรับอาหารเสร็จแล้วพระองค์ก็นาอาหารมาถวายบัดนี้ช่รอยมโนรสของพระองค์ถึงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเสด็จมาเอง ในที่สุดพวกชาวบ้านเหล่านั้นก็นำอาหารอันประณีตประณีตที่ดีที่สุดที่เขาจะหาได้ไปถวายแก่พระโพธิสัตว์ตอนที่พระโพธิสัตว์เนี่ยทำทุกขกรกิริยาอยู่นั้นด้วยความทุกข์ยากลำบากเพราะไม่เคยหวนคิดถึงความสุขที่เคยมีในครั้งก่อนเลยว่าตัวเองเคยมีความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตอนที่เจ็บปวดทางร่างกายตอนที่อดอยากหอยหิวตอนที่ถึงความทุกข์ทรมานเนี่ย ตอนที่ท่านมีความทุกข์ท่านไม่ได้คิดถึงความสุขเลยตอนที่ท่านหิวกระหายท่านไม่ได้คิดถึงอาหารซึ่งตรงกันข้ามกับคนปกติทั่วๆไปคนปกติทั่วๆไปเป็นไงพอมีความทุกข์ก็คิดถึงความสุขพอหิวก็คิดถึงอาหารพอร้อนก็คิดถึงความเย็นพอหนาวก็คิดถึงความอบอุ่น แต่ความคิดอย่างนี้ไม่มีแก่พระโพธิสัตว์ตอนที่ท่านลําบากตอนที่ท่านทุกข์เดือดร้อนเนี่ยก็ดูว่าความบริสุทธิ์ของท่านน่ยท่านไม่ติดใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณชั้นนั้นเนี่ยนะเพียงแต่อริยมรรยังไม่เกิดเท่านั้นเองแต่ว่าโดยพื้นฐานจริ ง, รงๆแล้วท่านไม่ได้ติดข้องเลยลักษณะอาลายัยอาวร์เยื่อใหญ่ในอกุศลวิตกเหล่านั้นเลยหรือในใ น, ในรูปธรรมทั้งหลายเลย แต่ทีนี้ตอนหลังพังก็เห็นว่าการอดอาหารที่เรียกว่าขาดอาหารหรืออาหารไม่สปายะเนี่ยไม่สามารถทำให้ตรัสรู้ได้ผมก็เลยกลับมาบริโภคอาหารกลับมาสเสวยพระกยาหารพพพเพรันพอพระองค์เสวยพระกยาหารไปเนี่ยอัตภาพก็กลับเป็นปกติโดยไม่นานนะักนะจริงอยู่อัตภาพที่คร่ำค่าเพราะชราแม้จะได้โภชนะเป็นที่สบายก็ไม่กลับเป็นปกติได้ น, นะก็บอกว่าคนพร้อม กรองเลยเนี่ยนะถ้าหากว่าอายุน้อยๆเนี่ยยังแข็งแรงถ้าได้อาหารบํารุงเต็มที่มันก็ออกหนุ่มเหมือนเดิมใช่เพราะว่าโดยวัยเนี่ยมันบอกว่ายังไม่แก่แต่คนแก่แล้วเอาอาหารอะไรมาบํารุงอ่ะเอาผมถึงได้อาหารยังไงมามันก็มันก็คนแก่อยู่ดีนะเขามีอยู่คนหนึ่งอายุมากแล้วเจ็ดสิบกว่าพอดีเขาก็มีภริยาตอนมีภรยาอายุสักสี่ิเสร็จแล้วก็มีลูกสองคนเนี่ตอนหลังก็มีลูกก็ลูกยังเด็กอ่ะนะเขาตัวเองอายุเจ็ดสิบแล้ว อายุยังเด็กเนี่ยก็ทําไงดีก็ไปลาไปส่งลูกไปเรียนไปอะไรเนี่ยนะบอกหนูปู่มาส่งเรียนเหรอลูกทุกคนก็บอกแหมเอาคุณปู่มาส่งไปโรงเรียนนี่ยนะยผู้ชายคนนี้ซึ่งอายุมากแล้วก็อายอายหนักๆเข้าไม่ยอมออกบ้านเนี่ยนะแล้วอะไรเพราะว่าคือเวลาแบบเข้าไปไหนกับภริยาขอ ง, ของเขาก็บอกโอ้พาคุณพ่อมาด้วยเหรออะไรเงี้ยเขาพูดแบบเนี้ยนะพไปไหนกับลูกก็บอกโอ้เอาคุณปู่มาด้วยเหรอได้รับแต่คํำแบบนี้ก็เครียดมากเลยนะเดือดร้อนมาก แต่ละวในที่สุดก็ไปดึงหน้าดึงหน้าดึงตาผ่าตัดตัดเจ้ก็ตกแต่งก็ยังช่วในเพรางั้นนี่ก็เหมือนกันบอกว่าอถ้าอย่างนั้นได้แต่ไม่รู้ไปกินอาหารอะไรให้มันหนุ่มขึ้นใช่ไหมเพราอาหารอันนั้นคําละหมื่นก็คนมีคนซื้อกินอ่ะเชื่อเหรอก็ถ้ามันจะหนุ่มขึ้นมาได้นะคำละแสนก็อาจจะมีคนซื้อกินน่ะนะก็ให้มันกินแล้วมันหนุ่มก็ชุ่มก็ช่วยนะลงเรื่องก่อนนี่แหละขายที่ขายทางกังดัง น, นะซื้อให้มันหนุ่มหนุ่มแน่นเลยแหละแต่ไม่หรองเรื่อง การอะไรมันก็โสมทุกวันนะั่นแหละอาจจะพอมันเทาบันเ ท, า, นเทาได้บ้างพ ร, าะะพระโพธิสัตว์ตอนที่พระองค์ทุกขะระกิริยาพร้อมนั้นนะ่ะนะพร้อมในอายุประมาณตอนนั้นประมาณเท่าไหร่สาปีใช่ช่วงส4สี่ต่อส5ห้าเนี่ย น, นะตอนนั้นพระองค์ก็ถือว่ายังหนุ่มแน่นอยู่เพราะฉะนั้นพระโพ ธ, ธิสัตว์เสวยพระกยายารเป็นที่สบายอัตภาพจึงปกติโดยไม่นานนัก อินทรีย์ทั้งหลายก็ผ่องใสชวีวันผิวพรรณก็บริสุทธิ์ปุดพองสรีระซึ่งประดับประดาด้วยมหาบริศลลักษณะสาสิบสองประการก็บริบูรณ์ดุดหมู่ดวงดาวขึ้นสู่ท้องฟ้าฉะนั้นร่างกายก็มีมหาปริศลลักษณะคงเดิมทุกประการพระโพธิสัตว์นั้นทรงเเรดูอัตภาพนั้นแล้วก็คิดว่าอัตภาพชื่อว่าลำบากถึงเพียงนี้ก็กลับได้ ปกติเออมันก็กลับมาปกติได้นะพร้อมกระรองเ อ, อ็มเป็นได้ยังไงมันบริโภคแล้วมากลับเป็นปกติได้พระองค์ก็เลยคิดว่าไอความคิดที่บอกแม้ร่างกายของพระองค์กลับมาเป็นปกติเนี่ยแหละคืออากุศลวิตตกพระองค์ถือเอาอากุศลวิตกแม้นิดหน่อยอย่างนี้เพราะความที่พระองค์มีปัญญา ม, มากติดใจว่าโอ้เรานี่ยังหนุ่มอยู่นะยังแข็งแรงอยู่นะยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคิดอย่างเงี้ยก็เลยเออเนี่แหละอากุศ ล, ลวิตตกเกิดขึ้น อันนี้เป็นในที่หนึ่งนะที่ปรารบภายในตัวพระองค์เองนะวันนี้คือกาลมฤิตกแล้วล่ะพระองค์ประทับนั่งข้างหน้าบาารรณศาลากุฏิใบไม้เนี่ยนะก็เห็นหมูเนื้อมีเนื้อสายกวางเนื้อฝานโคละมั่งเป็นต้นหมูนกมีนกยุงไก่ป่าเป็นต้นที่ส่งเสียงร้องไพเราะจับใจเบืงทั้งหลายที่ราระดับไปด้วยอุบลเขียวดอกโกมุตและกะมลเป็นอาทิ ราวป่าที่เงียบสงัดดารดาดัตไปด้วยดอกไม้นาน า, น า, นาชนิดและแม่น้ำเนรัญชราซึ่งไหลพัดน้ำขุ่นออกไปเหลือแต่น้ำใสดุดแก้มมณีพระโพธิสัตว์นั้นทรงมีพระดำริว่าฝูงเนื้อฝูงนกเบึงราวป่าแม่น้ำเนรัญชราเหล่านีน้สวยงามหนอพระองค์ก็ถือเอาวิตกนิดหน่อยแม้นั้นวันนี้แหละคือกาลมาวิตก นี่แหละอกุศลวิตกเพราะอะไรเพราะเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามนะเพลิดเพลินในวิวทิวทัศน์ดูแหมสวยเหลือกเกินเนี่ยนะอันนั้นแหละเรียกว่าอากุศลวิตกของเราไม่ใช่อกุศลวิตกมันอกุศลจริงๆเลยนะเครื่องวันผ่านไปยังนึกไม่ออกเลยนะเอาเคยไปเที่ยวอะไรนะเที่ยวแบบสวนเที่ยวอะไรไหมอ่ะบางทีเที่ยวไปสักครึ่งวันแล้วเพึ่งนึกได้เออนี่เจริญกุศลนะเนี่ยอะไรถ้าอย่างนี้ก็แหมมันก็มากไปเหมือนกันเล บางคนเนี่มันเป็นอย่างนั้นอะย่างนี้ะไปเที่ยวป่าเนี่ยเดินไปตามป่าเห็นภูเขาเห็นวิวอะไรแปลกๆที่ตัวเองไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรมาก่อนนะหู้นตือนตาตื่นใจลืมเลยว่าเจริญกุศลอยู่เนี่ยนะลืมสมถะวิปัสสนาลืมเมตตาลืมกรรมฐานลืมทุกอย่างเลยนะลืมศีลลืมอะไรไปหมดเลยนะเหลือแต่อะไรเหลือแต่จกักขูวิญญาณกับชาวนะที่เป็นอกุศลท่องเที่ยวปไปเนี่ยนะแ ต, แต่ว่าพระโพธิสัตว์นี่เป็นคนฉลาดมากก็เนื่องจากว่าความคิด คือท่านเป็นพวกนักจิตวิจัยเนี่ยนะเขาวิจัยทางความคิดอยู่ตลอดวิจัยตัวความคิดวิจัยว่าสิ่งเหล่าใดที่เกิดร่วมกับในตัวความคิดความคิดเหล่าใดมีโทษความคิดเหล่าใดไม่มีโทษคือเนื่องจากว่าท่านเนี่ยไม่ได้มีพื้นฐานมาจากปริยัตอะไรเลยที่เรียกว่ามีพระไตรปิฎกมาวางมากลางไม่ท่านก็วิเคราะห์จากความคิดที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่านความคิดตัวเองตลอด แต่ก็ไม่ใช่แหมมันแช่เออนี่อกุศลวิตกเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งก็พอไม่ใช่นี่เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งไม่ตรงกันข้ามเลยท่านมาแยกเลยว่าอากุศลวิตกความคิดอันนี้สร้างความเสียหายอะไรขึ้นบ้างนะมันมีพิษภัยทุกโทษอย่างไรนั้นวิธีการพิจารณาของอพระโพธิสัตว์นั้นจึงไม่เหมือนกับที่หลายท่านเขาเจริญ เพราะท่านเห็นเลยว่าอากุศลวิตกที่มันเกิดขึ้นอ่ะมั น, ม, นมันคืออะไรมันตัดวาระแห่งกุศลธรรมออกไปเท่าไหร่เนี่ยนะมันก็เลยบอกเลยว่าเนี่ยอตตพยาพาธาพาทายปิอกุศลวิตกความคิดที่เป็นอกุศลอันนี้มันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเนี่ยตัวนี้แหละเบียดเบียนตัวเองแล้วเพราะถามว่าถ้าท่านปล่อยให้ชื่นชมบิวทิวทัศน์อยู่อย่างนั้นเออเราเนี่ยก็ประกอบด้วยมหาุริศลักษณะ วิวทิวทัศน์ก็สวยน้ําก็ไหลยเย็นอาบน้ําเล่นน้ําสบายใจกว่าเป็นต้นคิดว่าจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกไหมไม่มีเนี่ยนะพระองค์จะได้สัพพัญญุตญาณได้อนาวรณญาณได้วิชาสามพิน ญ, ญาหกวิโมกขแ8ปฏิสัมพิทาสี่จะได้มีพุทธคุณพุทธภูมิอรหันตคุณสัมมาสัมพุทโทธวิชาจรณะสัมบันโนเป็นต้นเนี่ยพระองค์จะได้ไหมถ้าพราะองค์มาหลงเพลิดเพลินไับความคิดอันนั้น บอกไมเนี่ยมันเบียดเบียนตนเบียดเบียนพระองค์เองเบียดเบียนยังไงสร้างความเดือดร้อนเพราะนั้นเป็นมิจฉาปฏิปฏาท<ษ>าเป็นปฏิปทาเพื่อนําไปสู่วัฏฏะสงสารไม่ได้เป็นวิปฏิปทาเพื่อบรรลุมรคผลนิพพานอะไรเนื่องจากว่าพราะองค์เห็นว่าอากุศลมิตกอันนั้นเป็นมิจฉาปฏิปฏาท<ษ>าองคอกนี่แหละมันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตน<ทษา>มันเป็นอาพาธเนี่ยนะที่จริงถ้าแยกศับเนี่ยนะพยาปาทายะเนี่ยนะก็ อัดตับพยาภาทายะก็แปลว่ามันเบียดเบียนตนมันทําความเจ็บป่วยให้แก่ความคิดแล้วนะเพราะว่าอากุศลวิตกอันนั้นทําลายทั้งสมถะทาลายทั้งวิปัสนาไม่ใช่สมถะอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิไม่ใช่วิปัสนาที่เป็นอนุปัสนาทั้งหลายอันนี้ก็เลยบอกว่าเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนขณะเดียวกันก็เป็นไปเพื่อความ เบียดเบียนผู้อื่นถ้าอกุศลวิตตกเหล่านั้นมันเกิดขึ้นบ่อยๆบ่อยๆขึ้นเนี่ยมันจะเบียดเบียนคนอื่นไหม mm. ก็เบียดเบียนอ่ะนะสมมติท่าของมาเนี่ยโอ้โหไปเห็นวิวทิวทัศน์นะสมมุตินะไปเห็นวิวแบบแหมเนี่ยสมมุติเอาสมมติถ้าถือเดินตามไปเห็นวิวภูเขาต้นไม้ใบหญ้าสวนลำธารอยากได้เป็นของตัวเองขึ้นมาเดือดร้อนแล้วลืมแนะสมถาวิปัสสนาลืมแล้ ว, ว, ลลวบวชมาเจริญวิปัสสนาสมถาวิปัสสนาบวชยากก็มาได้ที่ตรงนี้เอาเนี่ยก็เอ า, เเอาละ เบียดเบียนตัวเองก่อนเลยฮนะสองเอเริ่มเอาทุนที่ไหนมาก่อสร้างดูแลบํารุงตรงนี้อเริ่มไปเริ่มรบกวนคนอื่นละคือคือมันสร้างความเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นหนักหนักเข้าประโยชน์ตนคืออะไรก็ไม่รู้บวชมาทําไมก็ไม่รู้หนักหนักเข้าก็กุติสารานังคัจฉ า, ามิคิดถึงแต่กุติอยู่นั่นแหละสาราสารนังคัจฉามิคิดถึงแต่ศาลาคิดถึงแต่กูดินปลูกต้นไม้ก็หมดไปวันหนึ่งอ่ะนะหมดไปอีกชาติหนึ่งเลยคันเนี้ย กว่าจะนึกได้อีกทีนึง่งเออทําไปทําไม น, นะนะพอทําเสร็จเข้าไม่มีคนเช็ดให้ก็เดือดร้อนอีกเนี่ยนะตัวเองก็แก่ขึ้นนั้นเช็ดไม่ไหวแล้วใช่ไห ม, มก็ลำบากเองเพราะฉะนั้นก็ต้องมาคิดให้มันดีๆว่าเออเนี่ยมันเบียดเบียนตัวเองนะมันเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายนะขณะเดียวกันเนี่ยน ะ, ะกามวิตกอกุศลวิตกทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะปัญญานิโรทิโกเนโรตัวนี้เนี่ยมันตะถังขนิโร แต่เป็นนิโรธที่แบบเสียหายมากไม่ใช่นิโรธคือนิพพานนิโรธจริงมีหลายอย่างคณิกะนิโรธก็คือเนี่ยดับแบบพังค ข, ขนาดเรีกคณิกะนิโรธไอ้นิโรธแบบนี้เนี่ยแหละถ้าอากุศลนิโรธดีใช่ไหมดับอกุศลได้ดีแต่ถ้าปัญญาดับอะไรเกิดขึ้นมันอกุศลวิตกเหล่านั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อทําปัญญาให้ดับเพราะอะไรเพราะปัญญาที่ยังไม่เกิดมันก็ไม่เกิด ปัญญาที่เคยเกิดขึ้นแล้วมันก็มันก็หมดไปไอ้ปัญญาใหม่ๆก็ไม่เกิดอีกไอ้ยิ่งยิ่งขึ้นก็ไม่ยอมเกิดไอ้ที่เคยเกิดแล้วก็หมดตัวนะเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนกับบอกว่าผีพนันมันเข้าสิงรายได้ที่เคยมีก็ไม่มีไอ้รายได้ที่ควรจะมีก็ไม่มีเพราะอะรเพราะพลานไปหมดแล้วเนี่ยนะเหมือนกับว่าหมดถอนทุนหมดรายเพราะพลานเอาไปผีพนันเอาไปพลานสักเลี่ยงเลยอกุศล ว, วิตกหลังหลายเหล่านี้ก็เหมือนกันพลานสติพลานปัญญาไป เผาสมหมดเกลี้ยงเลยก็เลยพันทําลายปัญญาทั้งที่เป็นโลกิยะปัญญาและโลกุตระปัญญาเพราะไม่เคยมีว่าเจริญ อ, อกุศลวิตกเมื่อเจริญให้มากแล้วทําให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานพระองค์ไม่เคยสอนแบบนี้เด็ดขาดเลยใช่ไหมบอกว่าสัมมาสังกปะเป็นต้นเนี่ยที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานพระองค์ก็มีแต่แตัดอย่างนี้ก็เห็นเลยว่า อกุศลวิตกเหล่านี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อการรู้ยิ่งเลยไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่ได้เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่ได้เป็นไปเพื่อความตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานก็เลยเห็นโทษของอกุศลเหล่านั้นว่าเออเนี่ยมันทําลายปัญญานะเพมันปัญญาที่ยังไม่เกิดที่ไม่ที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดไอ้ที่เคยเกิดก็ไม่เกิดไอ้ที่ใหม่ๆที่มันดีขึ้นอีกก็ไม่ยอมเกิดเป็นต้นอันนี้เรียกว่าทําปัญญาให้ดับ ก็วิตกตัดโลกิยาปัญญาเม้เกิดขึ้นแล้วด้วยอํานาจแห่งสมาบัติ8ดและอภิญญาห้าให้สิ้นไปอันนี้เรียกว่าทําปัญญาให้ดับเยะว่าปัญญาระดับธรรมดาเลยปัญญาระดับชาญนั่นแหละปัญญาสูงเรียกว่าชานะสัมมาทิฏฐิระดับสูงถ้าอากุศลวิตกเกิดขึ้นเนี่ยทำลายซะหมดเลยเนี่ยนะเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนว่าอากุศลวิตกเนี่ยให้กวัดนกอันไหนแรงกว่ากันอกุศลวิตกเนี่แรงกว่าเนี่ยไม่น้อยมากที่จะรักษาและประสบความสําเร็จเนี่ยนะ วิคาตปักขิโกอกุศลวิตกนี่เป็นส่วนแห่งความทุกข์น่ยนะคนที่ถูกอกุศลวิตกกลุ่มร่ ม, มเนี่ยนะไม่ใช่มีความสุขเลยจากกรรมวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตตกก็ตามคนที่เป็นอกุศลวิตกเนี่ยนะอยู่ตรงไหนก็ไม่เป็นสุขอยู่ตรงไหนก็เดือดร้อนมีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์ตัดอุปมาเขาบอกว่ามีหมาสุนัขขี้เรือนอยู่ตัวหนึ่งไม่เอาหมาไม่เพราะสุนัขดีกว่า มีสุนัขตัวหนึ่งก็เป็นโรคเรื้อนรื้นไปทั้งตัวไปหมดเลยเนี่ยนะตั้งแต่หัวจดตางเห่างนั้นน่ยหน้าหนาวหน้าหนาวย่งเข้ามาลมก็โกรกโชยขึ้นมานี่นะถามว่าอยู่ในร่มเป็นสุขไหมคือคืออากาศหน้าหนาวเนี่ยมันมันมันมันแห้งนะอากาศมันแห้งหนังมันก็หดมันก็คันไปทั้งตัวไปหมดเลยเนี่ยนะโยกลางแจ้งก็เดือดร้อน อยู่ใต้ร่มไม้ก็เดือดร้อนูไป อ, อยู่ตรงไหนมันพอจะสบายใจได้บ้างก็ไปนอนคลุกขีเท่าเนี่ยนะนอนคลุกขีเท่าย่างไฟผิงไฟค่อยยังชั่วให้หนังมันค่อยๆห ย, ย่อนออกมาบ้างนะถ้ามันยิ่งตึงยิ่งคันเออถ้าหนาวเหน็บก็เรโอโหคันจะปวดมากเลยนะร้องครางอิงอิงอ้งๆิอย่างนั้นแนหะอกุศลวิตกทั้งหลายเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นในชะ่ไหมพลิกซ้ายก็แล้วพลิกขวากว็าเงียบเดินก็แล้วนั่งก็แล้วนอนก็แล้วเนี่ยนะ ก็ยองอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยให้อยู่ในห้องคนเดียวเนี่ยนะแบบมาปิดห้องหมดเลยให้อยู่สักยี่สิบสี่ชั่วโมงและห้ามหลับด้วยห้ามอ่านหนังสือด้วยห้ามรับข้อมูลข่าวสารห้ามอะไรทั้งหมดอ่ะโอ้ยพอๆกันเลยแหละคลางยิ้งยิงในใจเลยแหละนะนะพออยู่ไปมากๆท่านนะนะส่งจิตแพทย์เกือบทั้งหมดนะบุคคลกลุ่มนี้โดยมากพอทําอย่างนี้บ่อยๆเข้าทรงจิตแพทย์หมดเนี่ยนะผ่ามว่าเพราะอะไรเพราะไม่มีกุศลวิตกอะไรมาหล่อเลี้ยงเลย นะไม่มีอกุศลไม่มีกุศ ล, ลวิตกหล่อเลี้ยงเลยเพี้ยนกันไปหลายท้าเพื่อนเข้ามาเนี่ยเพี้ยนไปหลายรูปเหมือนกันเพราะอะไรเพราะอะไเพราะว่าไม่ได้เจริญกุศลวิตกเป็นอยู่แล้วคิดยังไงให้เป็นกุศลเนี่ยคิดไม่เป็นพอคิดไม่เป็นเนี่ยเบียดเบียนตนมากเลยนะเบียดเบียนตนแล้วก็ไปเบียดเบียนผู้อื่นแนะนําคนอื่นแบบผิดๆอีกอนั้นสร้างความเดือดร้อนมหาศาลและเพราะฉะนั้นมั น, ม, นมีแต่ความทุกข์จริงๆทุกข์มากๆเลยแหละ เป็นถึงกับความดันไม่ปกติเลยอะไรราณนั้นนะโรคอย่างอื่นตามมาอีกเบอร์เลยนั้นผู้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพานอากุศลวิตกนี่ไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพานตรงนี้บอกศัพท์นิพพานดีนะนิพพ า, านอ่านปัจจัยไม่ปรุงแต่งนั้นให้ประจักษ์นิพพานก็คือเป็นธรรมที่ที่ดับปัจจัยปรุงแต่งคือชรา ม, มรณะเป็นต้นนิพพานนี่เป็นธรรมที่ดับชราแล้ว มรณะนิพพานเป็นธรรมที่ดับชาตินิพพานเป็นดับเป็นธรรมที่ดับภพนิพพานเป็นธรรมที่ดับโอปปัฏานนิพพานเป็นธรรมที่ดับตัณหาเป็นธรรมที่ดับทุกนิพพานเป็นธรรมที่สงบทุกอกุศลมิตกนี่มันจะทําให้บรรลุนิพพานได้ไหมไม่ได้เพราะมันนิฉาปฏิปธรรมมันตรงกันข้ามกันเลยนะมันไม่ใช่แบบแม้เคียงเคียงคู่กันไปไม่ใช่มันชนิดแบบตรงกันข้ามนะเหมือนกับรถอยู่คนละอยู่คนละฝั่งอ่ะอยู่คนละฝั่งอ่ะ มันเอกเรียกว่ามันไม่มีทางบรรจบเข้าหากันได้เลยฉันใดอกุศลวิตกทั้งหลายก็ฉันนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อบรรลุมรรผลนิพพานแม้แต่นิดเดียวก็แยกเลยว่าอักุศลวิตกนี้นะเป็นสรุปนะท่านท่านให้สับให้นัยยะว่าใครที่ที่เป็นอกุศลเนี่ยนะเวลาอากุศลวิตกเกิดขึ้นนะเอาวิธีของพระโพธิสัตว์ไปใช้ก็ดีนะหนึ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นไปเพื่อความ เบียดเบียนตนทําให้จำให้แม่นเลยนะหนึ่งมันทําลายตนนะทาลายตัวเองเอางี้นะกันถ้าพูดแบบภาษากรร ม, มสกตาปัญญาอากุศลวิตตกมีเจตนาเกิดร่วมด้วยไหมอกุศลวิตตกเกิดเฉพาะในชาววันะเท่านั้นไม่รู้ดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้อดวงที่เจ็ให้ผลชาติหน้าดวงที่สองถึงดวงที่หให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นอกุศลวิตตกเนี่ยเวลาแกเกิดขึ้นนะแกเบียดเบียนตัวเองนะ ขณะนี้มันก็อกุศลวิตกขณะที่อกุศลวิตกเกิดขึ้นทําลายศรัทธาทําลายศีลทําลายหิริโอตตะปาทำลายสุตะจาระปัญญาทําลายสติปทานสัมมาปทานอิทิบาทอินทรีย์พระโพชฌงองค์มรทําลายคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยประการทั้งพวงก็ตอนที่เราอกุศลวิตกเกิดขึ้นนึกคาสอนอะไรออกบ้างไหมยากไม่เอาล้ได้เอาแต่อะไรเอาแต่อกุศลวิตกอย่างเดียวเบียดเบียนตัวเองปัจจุบันก่อนนะ ขณะนั้นเนี่ยกุศลผลประโยชน์ที่ควรได้รับก็ไม่ได้รับอากุศลวิตกเนี่ยทะลักเข้ามาเรื่อยๆอากุศลเหล่าใดที่ยังไม่เกิดก็เกิดอกุศลวิตเหล่าใดที่เกิดขึ้นแล้วก็เติบโตเอาโตเอาเนี่ยนะเป็นยิ่งกว่าเนื้อร้ายที่มันแบบมันงอกขึ้นงอกขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยนะโรคสารพัดชนิดก็เข้ามาเป็นเหมือนกับไวรัสที่เลวร้ายมากสร้างแต่ความเสียหายให้ในใจของเราสฉะนั้นอกุศลวิตกเหล่านี้มันให้ผลในปัจจุบันดวงที่หนึ่งก็ให้ผลเป็นทุกดวงที่เจ็ดก็ให้ผลเป็น ทุกดวงที่สองถึงดวงที่6ก็ให้ผลเป็นทุกครันถ้าปล่อยให้อกุสนิตกเกิดสักชั่วโมงหนึ่งทํากรรมที่ไม่ดีให้กับตัวเองเท่าไหร่ทุกในปัจจุบันด้วยทุกต่อต่อไปด้วยทุกชาตินี้ด้วยทุกชาติหน้าด้วยทุกอีกหลายชาติด้วยนิพผานเกลใกล้ไหมรงกันข้ามเลยอันนี้เบียดเบียนตนเท่าไหร่คนที่เบียดเบียนตนคิดหรือว่าจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็เบียดเบียนผู้อื่นขนาดตนของตนก็ยังเบียดเบียนขนาดนี้เลยเนี่ยนะ ประมาณพวกคลีชีดทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเบียดเบียนระเบิดตัวเองก็แปลว่าคนอื่นตายอีกเท่าไหร่เนี่ยเพวกนี้เบียดเบียนตนเสร็จแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นตายอีกเยอะแยะไปหมดเลยหยุดอยู่เท่านั้นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายปัญญาเจริญขึ้นไหมบอกปัญญาก็ไม่เจริญเนี่ยนะแต่ถ้าอากุศลวิตกเกิด บ, บ่อยๆนี่คิดว่าจะสบายใจได้ไหมความสบายใจจะมีได้จากอากุศลวิตกเหล่านี้ไหมมันก็มีแต่ความคับแคี้ย มีแต่ความคับแคบมีแต่ความคับแค้นทั้งคับด้วยนะคับก็แปลว่าแคบมากเลยนะอยู่ในที่คับแคบแล้วก็แค้นก็แปลว่าอะไรเจ็บปดวดร้อนรอนกระวนกระวายและตรงกันข้ามไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพานอะไรจุดมุ่งหมายที่สุดแห่งอากุศลวิตกอากุศลวิตตกเมื่อบุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วก็ทําให้วิตกวิตกเป็นปัจจัยให้เกิดตันหาตันหาเป็นปัจจัยให้เกิด อุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดพบพบเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโธมนัสและอุปาญาตสังสารทุกวัตทุ ก, กไลยไปอย่างนี้ไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะที่สุดแห่งทุกอยู่ที่ไหนเนี่ยนะ